เดินพรุ่งเราทุกคนกคนะดูอะไรคนเป็นคนที่ขึ้นเคยเห็ น, หน้ากันใช่ <c ười> ไม <c ười> อมขึมาคั้งแรกนะเคยเคยตื่นสตินนะสใั่ไหม <c ười> มีสติใั่ไหมมีสตินะแต่สติที่เรารู้จักกับสติ นะปัฏถานเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะลองสังเกตดูนะลองดูนะมาทนะีคนใหม่ๆก็อนะาจจะไม่รู้สึกว่าเราขาดสตินะพอเราก็รู้สึกว่าเราก็มีสตินะสติเช่นในเราก็เราก็ไม่หลงดูสิ่งของนะนะเราก็จำชื่อเพื่อนได้นะ เราก็จะเลือกถึงเรื่องราวที่เราเคยทำที่ผ่านมาได้นะหรือคนก็อาทิตย์ก็ท่าคนไหนขาดสติ <c oughs> ก็ต้องเ <c oughs> ไปอยู่โรงพยาบาลนะจิตเวชนั้นขาดสติอันนั้นขาดสติแบบมากมากนะนะอาจจะด้วยจิตนะหรือว่ า, าจจด้วยประสาทก็แล้วแต่แต่ถ้าใครศึกษาธรรมะจริงๆนะ มันก็จะมีเรียกว่าการขาดสติที่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนป่วยนะแต่คําว่าขาดสติคือเราจิตมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคำว่าขาดสติเช่นเรากินข้าวแต่ใจเราก็ไม่อยู่กับการกินข้าวใจเราไปอยู่กับเรื่องงานใจเราไปอยู่กับเรื่องของคนอื่นอะไรแบบนั้หรือบางทีเราก็กินไฟได้คิดไป บางทีเรากินข้าวไปด้วยเราดูโทรทัศน์ไปด้วยจิตเราไปสนใจโทรทัศน์มากกว่าอาหารการกินที่เรากินอันเนี้ยหรือว่าหรือบางทีเรานอนเหมือเนี้ยเรานอนร่างกายเรานอนอยู่แต่ใจเราอาจจะไม่ได้พักผ่อนด้วยใจเราอาจจะฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีมันยังไม่หลับ แล้วก็คิดเรื่องที่มันผ่านมาวันนี้นะหรืออาจจะคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่ออันนี้ความหมายของควาว่าขาดสตินะทีะ่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องป่วยไม่ใช่ว่าเราปิดปกติแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าแบบนี้มันปกติ <c oughs> นั่นคือกลับปกติที่ที่เราจะ คิดนั่นคิดนี่หรือว่าใจเราจะไม่อยู่กําเนื้อกับตัวแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพวบว่าไอสิ่งพวกนี้แหละที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่มันเป็นเหตุที่สําคัญเลยทำให้เวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจออะไรต่างๆในชีวิตเราจะทุกข์ง่ายทุกข์ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าใจเราไม่ค่อยอยู่กําเนื้อกับตัวใจเราก็ มันจะพูดด่ง่ายแต่พระพุทธเจ้าก็พบว่าที่จริงมันก็มีวิธีการถ้าเราฝึกจเจริญสติฝึกให้ใจเราอยู่กับสิ่งที่เราทำนะเรียกว่าฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะมันจะทำให้จิตใจเราเรามั่นคงจิตใจเข้มแข็งขึ้นจิตใจจะได้ไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆนะ อันนี้จะเป็นวิธีแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงไม่ไหลไม่เผอเลยก็ไม่ใช่นะแต่มันก็เกิดขึ้นเกิดความคิดแบบขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็มีสติรู้ตัวนะเพราะสติคือการรู้ตัวรู้ว่าเอ้ยตอนนี้มีความไม่พอใจเนะช่นเราคุยกับใครหรือเราฟังข่าว เราอ่านซื้อพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เกิดไม่พอใจเรามีสติรู้ตัวนะความไม่พอใจขึ้นมาใช่ไหแล้วก็รู้ทันตัวเองละเมื่อรู้ทันตัวเองมันจะเห็นตัวเองว่าอืมความไม่ไมพอใจร่างกายเป็นแบบไหนรู้สึกไหมพอร่างพอเราไม่พอใจร่างกายเป็นไหนมันจะติดอัดมันมันติดอัดนะมั น, น, นะมนรู้สึกมันแน่นๆนะบางคนก็ ปากเร็วก็อยากจะพูดใช่ไหมอยากจะพูดต่ อ, อไปในสิ่งที่ไม่พอใจบางคนเร็วนะอาจจะอยากจะทำอะไรออกไปนะหรือบางคนชินในการกดไว้เคยไหมแบบพอรู้สึกที่ชันอะไรเราจะตัางภาวะกดทับไวนะ้อย่าให้มันออกมาหร่แต่ละคนอาจจะอาการที่มันเกิดขึ้นในความไม่พอใจอาจจะมีคล้ายๆกันนะเช่นนะ มันรู้สึกแน่นแ่นรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ปกติแต่หลังจากนั้นนะแต่ละคนอาจจะทำต่างกันนะบางคนอาจจะโทรสัทสดิดีบก็ระเบิดไปเลยพูดไปเลยนะหรือบางคนอาจจะเก็บกดก็โขงไว้นะนะกดไว้นะ น, นี้คือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมาเนาะนะอันนี้เช่นเนี่ยความโกรธหรือบงทีเราเห็นสิ่งของ เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเรียกว่าความอยากนะความอยากความโลภเกิดขึ้นมันก็จะมีปฏิยาณบางทีเราจะ ร, รู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราก็มันเร็ว ม, มากนะไปซื้อทันทีเลยเพรา ะ, นะเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วเราจะจะมันจะมีความสุขแต่สตังเกตเมตอนที่ยังไม่ได้เนี่ยอาจจะเงินยังไม่พออาจจะอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่สบายใจแนะจนกว่าจะได้มาถึงจะรู้สึกสบายใจนอันนี้คือความความอยากหรือความโลภนะมันก็จะหลอกเราว่าตอนที่ยังไม่ได้มันจะรู้สึกเหมือนทุกข์ใจแต่ได้มาแล้วมันจะรู้สึกสุขใจแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะได้มาก็สุขใจชัว่วคราว <c ười> แล้วความสุขก็หายไปแล้วเราก็จะอยากจะได้ สิ่งใหม่เข้มาแทนเพราะเราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนี้อีกนะจะมีความสุขยิ่งขึ้นนะนะมันก็เลยชีวิตเราก็เลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขนะแล้วก็หาสิ่งสุขใหม่แล้วก็เฉยไปละก็หาไปเรื่อยอันนี้ก็มันเป็ น, นกลไกที่ที่เราก็คิดว่าเป็นธรรมดานะกับทุกคนนะนะไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจก็ดีหรือความ พอใจก็จะเกิดความอยากได้ทันทะีมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรามีปฏิญาณส่งออกไปนะส่งจิตออกไปแต่ครมนี้เราจะลองดูแบบนี้ว่าเราลองไม่สนองความรู้สึกดูสิไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะนะอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกพอใจนะมีความรสึกอยากได้ เลมีความสึกไม่อยากได้แต่เราจะลองดูเขา <c oughs> อย่ายพึ่งไปสนองเขาอย่าเพิ่งสนองด้วยการกระทําอย่าเพึ่งสนองด้วยคําพูดหรืออย่าเพิ่งสนองด้วยการคิดปุงแต่งนะบางคนก็อาจจะเอไม่ทําไม่พูดอย่างง่ายแต่บางทีก็อดที่จะคิดไม่ได้นะเคยรู้สึกไหมบางทีถ้าเรื่องราวไหนไหนขูดขึ้นมาดีๆเนาะ เป็นบางคนก็มาปรึกษาบางทีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยไอเดียดีๆเกิดขึ้นมา <c oughs> น, นวันๆบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี่ไม่ออกแต่พอปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไอเดียดีๆโผล่ขึ้นมาจะทำยังไงดีบางคนก็จะหลงไปคิดนะเพราะว่ามันดีะไอเดียดีๆนานๆเกิดขึ้นมาเรื่องราวการงานที่เราคิดไม่ทะลุสักทีตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะหลงไปคิดกับมา ใช่ไหมตัวไม่คิดจํามันหรือบางทีเรื่องบางอย่างนะก็ไม่อยากคิดแต่ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไมืมเรื่องที่เขาเคยทําร้ายจิตใจเราเรื่องที่เคยมีความทุกข์ใจคิดเ ม, มืนนะ่อไหร่ก็ก็ทุกเมื่อนั้นอันนี้คือแม้แต่กระบวนการของการคิดเราจะทําอย่างไรที่เรานเห็นอรนนนารมณ์เกิดขึ้นเห็นความคิดเกิดขึ้น แต่เราไม่ไปปรุงให้กับเขานะเราเป็นเพียงผู้ที่ดูนะลองแบบดูเขาเฉยๆนะดูเขาเฉยๆว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเขาก็จะดับไปให้เราเห็นอันนี้คือเรามีเรียกว่าเราฝึกมาเป็นผู้ดูนะกนะารฝึกมาเป็นผู้ดูเนะี่ยจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองนะ ที่จริงพวกเราเรียนหนังสือกันมาเยอะหรือว่าเราก็อ่านทาวดูหนังอ่านหนังสือพิมพ์รู้เรื่องราวรอบๆตัวนะในประเทศไทยในวงการที่เราทํางานเรารู้เยอะนะแต่สิ่งที่เรารู้น้อยเนี่ยทุกคนนะะคือ ร, รู้เรื่องตัวเราเอง <c ười> ถ้าว่ารูเรื่องตัวเราเองไม่ใช่ไปรู้ว่า ตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้เราทำอะไรมาบ้างนะหรือว่าครอบครัวเรามีราเงามาจากตรงไหนไอ้นั้นก็ก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอดีตนะแต่คำว่ารู้เรื่องตัวเราเองจริงๆเนี่ยคือเรียกว่ารู้จักเรื่องของกายรู้จักเรื่องของใจอย่างแท้จริงมันเป็นแบบไหนนะนะถ้าจะเปรียบเทียมนะเปรียบเทียบก็สมมติ ร่างกายเราคล้ายๆกับรถยนต์เนาะนะจิตใจของเราก็คล้ายๆกับคนขับรถแล้นะนะีนะ่เราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมรถยนต์คำว่ารถยนต์นะเอนะมันก็คือส่วนที่ประกอบกันเนาะด้วยเครื่องยนต์ด้วยตัวถังด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันหรือว่าแก๊สเนะแล้วก็ด้วยกลไกต่างๆที่มันประกอบเป็นรถคันหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันมันก็ทำให้วิ่งได้ ขับได้ไปหน้าฝ่ยายหลังได้นร่างกายเราเองก็เป็นแบบนั้นนะนะใช่อืมตัวถังของเราจะอะไรโครงกระดูกนะไรตา่างใช่ไห ม, มเนื้อหนังบางตาที่มันพุ้มลงมานะพลังงานอะไรนะอาหารน้ําดื่มอะไรต่างาที่เรากินเข้าไปก็เป็นพลังงานใช่ไหมนะคนไกเครื่องยนต์ที่มันทา ง, งานเนี่ยก็ตับ หัวใจก่อไตต่งาง ๆ, ๆที่มันทำงานของมันเองนะใช่ไหมนะแต่ใจจริงๆเนี่ยใจคือคนขับรถนะใจของเราเนี่ยคือคนขับรถร่างกายของเราคือรถยนต์ใช่ไหมนะถ้าถ้ามันทำงานไม่สัมพันธ์กันจะเป็นยังไงฮนะหลายคนขับรถนะแต่ถ้าคนขับรถคนนั้นกินเหล้าขาดสติ หรือหลักไปใช่ไหมรถก็พาเราไปสู่อความตายหรือไปสู่ความเจ็บนะใช่ไหมหรือทําให้คนอื่นเจ็บทําให้คนอื่นตายก็ได้ไนี่คือคนขับรถนะที่ขับรถแล้วก็เรียกว่าขาดสตนะิก็จะทําเป็นแบบนั้นจิตใจเราเองนู่เหมือนกันนะถ้าจิตใจเราเองมันไม่ดีนะจิตใจเราเองนะขาดสติ ก็จะทำร้ายร่างกายเราให้ไปทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นก็ได้นะมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะว่าอืมเป็นคนจีนเ้าบอกเขามีความโกรธมากนะโกรธนะเลยอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้คลายให้ตัวเองโกรธน้อยลงหรือว่าจะได้ไม่โกรธสัทีตอนมาวันแรกๆเขาพูดแบบนั้นนะนะ แต่พอเขาปฏิบัติทำแปดวันนเขาเขาเห็นอย่างนี้เขาเห็นว่าที่จริงตอนแรกเขาไปมองว่าคนอื่น่ะเป็นเหตุให้เขาโปวดเช่นปรญญาไม่ดีนะลูงน้องทํางานไม่ถูกใจนะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันชวนให้เขามีความโกรธขึ้นในใจเขาไปมองว่าเหตุคือเกิดจากคนอื่นไม่ดีไม่ถูกใจ ช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือพี่น้องนครอบครัวเขาก็ไม่คืนเงินเขาก็ไม่ขอบคุณเลยเนะี่ยเขาคิดว่าทําไมในชีวิตเขาต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ด้วยมันเป็นปัญหาชีวิตมันเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจไม่อยากเป็นแต่พอเขาปฏิบัติเขามาเห็นว่าที่จริงเรื่องพวกนั้นนะมันก็มันก็เกิดขึ้นจริ ง, รงแต่ที่จริงเพราใจเขาไม่ดีพอใจของเขาไม่ดี เขาก็เลยมองคนอื่นไม่ดีไปด้วยนะเขายกตัวอย่างเช่นธรรมญาทำอาหารมาให้กินทำอาหารมาให้กินเขากินแล้วเขารู้สึกไม่อร่อยบอกเอาไปทิ้งเลยทำใหม่หรือซื้อใหมนะ่มันไม่อร่อยนะไม่กีนะ่ราคาไม่เท่าไรหรอกเอไปทิ้งนะทใหม่แต่พอเขามาปฏิบัติทําเขารู้สึก อาจจะรู้สึกว่าอาหารที่ตรงวัดที่ปฏิวัติก็ไม่ได้ว่าจะวิเศษกว่าที่เขาเคยกินนะแต่ทำไมมันอร่อยเขามาเห็น่าที่จริงโอ้ใจเขาไม่ดีใจเขาไม่ดีกินอาหารก็เลยไม่อร่อยก็ไปโทษาหารว่าไม่อร่อยก็ไปโทษคนทำว่าทำไม่ดีแต่พอมาเห็นที่จริงใจของเขาไม่ดีการกินก็เลยไม่อร่อยก็ไปโทษคนอื่น มาเห็นว่าที่จริงเขาใจตะเกีงมันไม่ดีก็เลยมองอาหารไม่อร่อยมองคนทําไม่ดีรวมทั้งมองมองลวกน้องคนทํางานก็ไม่ได้ดีเนีอยา่างที่เขาคิดก็ราะอะไรเพราะเขาใจไม่ดีมองอะไรก็เลยหงุดหงิดง่ายไม่พอใจง่ายอันเนี้ยนะบางคนที่ มักจะไปโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุให้เราโกรธเป็นเหตุให้เราทุกข์นะลองดูดีๆนะว่าใจเราดีไหม <c oughs> ใจเราเอา่อาอ่ามันมองด้วยอคติหรือไม่นะแต่บางทีมันก็มีแหละมันมีเหตุที่มากระตุ้นให้เรารู้สึกอย่างนั้นแต่นะถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตนะ สิ่งอื่นนะไม่สามารถทำให้เราทุกได้ฮนะมีแต่เราเองเนะี่ยที่นยะที่ยอมทุกตามเขาพ <c oughs> ระพุทธเจ้าท่านนะตัดไว้นะบางทีท่ทานบอกถ้าไปบินธบารมีคนที่ไม่นับถือท่านด่าท่านนะมาด่าท่านตอนแจ่ทันบินทบาร ท, นะท่านก็รับฟังอพอเขาด่าเสร็จ เนี่ยเขคงหาคำด่าไม่ได้นะพจะเจ้าครับถ้าสมมุติว่ามีแขกมาที่บ้านของคุณคุณเอาอาหารคุณเอาน้ํามาต้อนรับเขาแต่ถ้าแขกที่มาบ้านคุณเขาไม่รับอาหารและน้ํำดื่มนั้นจะเป็นของใครคนนันก็บอกก็เป็นของข้าพเจ้าเหมือนเดิมสิอเราเองก็เป็นแบบนั้นนะคําด่าที่เธอดานะ่า ถ้าเรามีรับคำคำดานนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของคนดานนะั่นแหละใช่ไหมอันนี้ อ, อคือถ้าคนที่มีส ต, ตินะคือไม่เอาไม่เอาคําด่าเขามาเป็นตัวเราเนาะมันก็ไม่ทุกเนะี่ยที่จริงคนที่ดานะั่นแหละกับยิ่งทุกยิ่งเดือดรนะ้อนว่าทำไมว่าขเขแล้วเขาไม่ทุกแต่คนที่ด่าเขาก็ได้สตินะอ๋หมันเป็นความจริงเนาะ มันเป็นความจริงที่ถ้าเราให้อะไรเขาไปเขาไม่รับเนี่ยเนี่ยมันก็ทำได้เน่ัอาจะทำให้กลับมามองเห็นตัวเองว่าที่จริงนะอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ไม่ไม่ไปปรุงแต่งมันต่อนนะ่เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะเอีมันก็หายไปเองดังนั้นเนาะ เรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจนี่แหล ะ, ะเราควรจะมาเรียนรู้เพราะว่ามันก็คือชีวิตของเรานะใช่ไหมเหมือ น, นกับคนขับรถเหมือนกับรถเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นเครื่องมือมันเป็นพาหนะที่จะทำให้เราไปสู่จุดหมายไปสู่ปลายทางที่เราต้องการชีวิตเราเองก็เหมือนกันนะ เรามีจุดหมายชีวิตไหม เ, ออเคยถามโยนคนหนึ่งนะออโยนมีเป้าหมายในชีวิตั้หแล้วบ อ, อกก็ตอบไม่ได้นะอายุสามสิบกว่าแล้วนะ เ, ออเรียนจบแล้วมีงานทําที่ดีเขาก็ไม่มีคาตอบเพราะว่าเหมือนชีวิตก็ค่อยๆมีแต่ละขั้นนะเรียนให้เก่ ง, กงๆตอบเข้าไม่ได้ ทำงานให้ได้แล้วเรียนต่อในขั้นที่เรียกว่าใ น, ในขั้นต่อไปเรย่อยพอเรียนจบแล้วก็จะดูแลพ่อแม่ก็ถามถ้าพ่อแม่ตายแล้วจุนหมายของเราคืออะไรก็ตอบไม่ได้นะอืมเราลองดูนะอันนั้นสิ่งที่เราต้องทําเช่นการงานหรือครอบครัวก็อาจจะเป็นจุดหมายของเราส่วนหนึ่งนะ แต่เราเลียนลืมว่าที่จริงใจเราเองก็ต้องการก็ต้องการเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันนะนะใจของเราเนี่ยแหลกนะทีนะ่เราเกิดมาแล้วเราจะทําไงเราถึงจะควรฝึกใจของเราให้ให้มันสูงขึ้นนะให้มันสูงขึ้นนะเรียกว่ายกระยกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นนะ บางทีมาสังเกตบางทีการศึกษาทางโลกหรือการงานทางโลกเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเครื่องวัดว่าเราเป็นคนมีการศึกษาที่ที่ดีกว่านะบางทีเราก็ดูมาว่าบางทีเรื่องของจิตใจเนี่ยมันาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับฐานนะแต่มันเกี่ยวกับว่าเราได้ได้สุกฝนนะ เราก็ได้ฝึกหัดนะมากเท่าไหร่นะมากเท่าไหร่บางทีมาสังเกต ง, ง่ายๆอย่างเช่นคนขับรถนะบางคนขับรถแบบอืมไม่ได้แคร์คนอื่นนะอืมแคร์แต่ว่าเราจะไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดได้อย่างไรนะแล้วเขาจะขอทางก็ไม่ให้นะควรจะข้ามถานนก็นไม่เบรกใช่ไ้มนะก็เขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแต่เพียงแต่ว่า ดื่มน้ำใจขนณะที่เดินทางนะแต่บางคนนะเป็นคนขับรถเมย์ขับแท็กซี่แต่มีคนขอทางเขาอาจจะให้เข า, าจะเบรคคือมันไม่ได้เป็นแค่เขาจะไปถึงเป้าหมายในการขับรถแต่ในขนาดนั้นเขาได้รู้สึกเหมือนมีได้ฝึกใจไปด้วยน ะ, ะมีน้ำใจเรือเพื้อหรือว่าไม่ใจร้อนเกินไปเลยนะ แล้วก็สังเกตดูเพราะนี่มันคือเราสามารถฝึกฝนตอนนี้ควบคู่ไปกับงานการที่เราทำก็ได้นะอันนี้คือเรื่องของการฝึกใจนะการฝึกใจเราจะไปคิดว่าคือเราต้องใส่บาตรนะหรือเราต้องไปรักษาสิ่งที่วัดหรือเราต้องไปบวชเท่านั้นนะที่จริงการฝึกใจเนี่ยทำได้ทุกโอกาสเลยนะ การฝึกใจทใําในทุกโอกาสทีในอย่างอย่างหนงที่สําคัญเราจะฝึกใจของเราเราต้องรู้ทันใจของเราก่อนปัญหาก็คือส่วนใหญ่คนเราไม่ค่ยรู้เท่าทันใจของตัวเอง <c ười> ก็เลยเกิดคําที่ว่าทําตามใจคำว่าทําตามใจเนี่ยคืออะไรใจเขาสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําอย่างนั้น แต่คำว่าทําตามใจส่วนใหญ่คือจะเรียกว่าใจที่มีกิเลสครอบงำอีกทีนะ่ะอืกิเลสเขาสั่งนะที่จริงไม่ใช่ใจเดินแท้เขาสั่งกิเลสคืออะไรความโกรธเขาสั่งอให้เราไปด่าเขาให้เราไปตีเขาให้เราไปบางทีบางคนอาจจะเนียนจนนั้นนะเขียนด่าในเฟซบุ๊กเกา่า น, นะนี่คือก็ความโกรธเขาสั่งนะ่ะอวิจารณืออื่นแบบ ไม่ไสนใจเราเขาเป็นใครนะไม่ถูกใจเราก็สับเรื่อยๆนะเนาะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆนะเนี่ยคือพอเราไม่พอใจแล้วก็แล้วก็แสดงอารมณ์ออกไปก็ใจสับอีกอย่างนะหรืออย่างที่ว่าบางทีเราชอบอะไรแล้วก็ทําทันทีนะทำตามความชอบโดยอาจจะไม่รู้ถูกหรือผิดอันนี้นาะอันนี้ติดใจสับนะ แต่สิ่งที่เราต้องมาศึกษาเราต้องรู้จักก่อนว่าใจขนาที่มันจะสั่งนั้นนะมาเป็นใจที่มีสติหรือว่าขาดสติเป็นใจที่มีกิเลสหรือว่าเป็นใจที่มีปัญญานะนะครัว่าที่จริงสติกับปัญญามาคู่กันนะถ้าเรามีสติมันจะมีปัญญานะแต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะไม่มีปัญญานะมันจะทำตามกิเลสนะคอยสั่ง แต่ถ้าเรามีสติเราจะมีปัญญารู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะอันนี้คือเราจะต้องต้องมีสติก่อนนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นนะเห็นว่าขณะที่ทำเนี่ยมันทําเพราะอะไรหรือเอาย ง, ง่ายนะเช่นเคยรู้ตัวไหมนะก่อนจะลุกขึ้นยืนเนะีนะ่ยเราลุกเพราะเรา ไม่ชอบความปวดเมื่อยทาง น, นี้แล้ว <c oughs> ก็รุกทันทีนนะฮะมันปวดเมื่อยอาจจะไม่เห็นว่าเราอาจจะไม่พอใจที่ร่างกายปวดเมื่อยเราก็เลยรีบรุกเพราะว่าอยากยัดให้มันหายความปวดเมื่อยแต่นะตลองดูมันก่อนเช่นปวดเมื่อยหรือปวดขาหรือปวดหลังหรดูก่อนยัดไปก่อนนะ ถ้าเราดูก่อนเรายังไม่ก่อนเราจะดูดีๆอ๋อเราอาจจะเห็นว่าความปวดเมื่อยของขามันทีจริงแต่นอกจากความปวดเมื่อยแล้วตอนในใจยังแฝบความไม่พอใจพอไม่พอใจมันเกิดอะไรพอมันไม่พอใจมันก็จะเกิดความคิดว่าอยากจะอยากจะเปลี่ยนภาอืมเราก็เห็นข้อมันเป็นแบบนี้เนะาะการปวดถามันเป็นจริง แต่ใจก็คิดไม่พอใจพอใจคิดไม่พอใจก็เลยปุงต่อว่าอยากจะเปลี่ยนพอเรายั้งใจพิดนึงไม่ทําตามความอยากเราจะเห็นว่ามันมีมันมีเรียกว่ากระบวนการมันมีที่มาที่ไปทําให้เราทำแบบนั้นแต่ถ้าเรามียั้งใจไว้ก่อนเนี่ยคิดปุ๊บทาปั๊บเลยเราก็เลยไม่เห็นมันก็จะซ้ำแบบนี้ยไปเรืเ่อยๆคิดเรื่อยๆแต่ถ้าเราวิสติรอยั้งไว้ก่อนดู เมื่อเราดูก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะความไม่พอใจมันก็จะดับไปนะสติปัญญาก็จะมาแทนที่อ๋อมาสมควรเปลี่ยนแล้วมันปวดแล้วนานแล้วใจใจเราเป็นปกติอยู่นะเราก็เปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนก็มีสตินะแล้วนะก็บรรเทาตั้งกายไปได้อันเนี้ยมีนิดๆหน่อยๆนะ ต้องสังเกตดูเวลาเกิดคนะอปวดเมื่อยกับร่างกายบทีก็ส่งผลกับ จ, จิตใจนะแต่ถ้าเราดูเราก็จะเห็นนะเห็นเว่มามันเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเห็นกรนะบวนการทุกอย่างในใ จ, จิตใจของเรานะั่นแหละว่ามันสัมพันธ์กับกับปฏิยารอบตัวเราเองก็ดีหรือว่ามันสัมพันธ์กับปริยาของความคิดนะจริงนะมันจะเห็นได้ว่าเ อ, อ มันเป็นแบบนี้เนาะเราก็แต่รู้จักตัวเองนะรู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองจริงๆเนี่ยใจเราจะเรียกว่าเป็นอิสระจากการที่กิเลส ข, ข้อ ง, งําใจมันไดนะ้แต่ก่อนเนี่ยเราทําตามความคิดแต่ต่อไปมันจะเป็นเราใช้ความคิดทํางานมันจะต่างกันนะอืมแต่ก่อนความคิดใช่เรา ต่อไปเราใช้ความคิดนะมันจะนแบบนั้นนะอืมมันจะทําให้เราเป็นเรียกว่าเป็นเจ้านายนะเป็นอิสระนะแต่คําไม่ได้เป็นเจ้านายไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวตนจริงๆนะเพราะบางอย่างเราก็จะรู้เลยว่ามันบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ได้ร่างกายเราจะเปลี่ยนท่าได้นะแต่อีกหลายอย่างเราก็าบังคับไม่ได้นะ มันกับรถยนต์เมืนกับเครื่องยนต์เนาะบางทีมันก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานเนาะอย่างบางที่เราไปเห็นคนที่ป่วยเนาะอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคชราอะไรก็แล้วแต่เนาะหมอพยาบาลก็พยายามรักษารักษาอันนี้แล้วนะก็ดีขึ้นบ้ า, อางอีกอันหนึ่งก็มาเสืออ่อมอีกละนะก็เหมือนกับช่างรถยนต์นะ แล้งใครเคยมีรถเก่าเก่าจะรู้นะซ่องมันนีแล้วก็ดีแล้แต่ก็ต้องอีกไม่นานก็ต้องไปซ่อมอีกอืกอ่นต่อนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะไม่เคยหยุดไม่เคยพักนะช่างซ่อมรถนะก็เหมือนช่าหมอซ่องโลคซ่องร่างกายของคนนั่นแหละนะร่างกายเรามันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วก็เสื่อมไปตามสภาพนะอันนี้เราก็จะรู้ว่าบางอย่าง มันก็แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับได้นะเราก็จะมีทุกใจะแต่ใจเราเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราฝึกได้นะฝึกได้เหมือนเราฝึกเราฝึกสุนัขเราฝึกอะไรก็แล้วแต่นะเราฝึกไปเรื่อยๆ เ, เขาก็จะมีเขาก็จะทําได้นะเขาก็จะทําได้เหมือนเราฝึกเด็กนะ มีลูกมีหลานหรือบางคนเป็นครูสอนนักเรียนนะถ้าเราทำให้เขาเองไม่ให้เขาทำเองเนะี่ยต่อไปเราก็ต้องทำให้เขาตลอดเขาทำไม่เป็นจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราสนองแต่ความต้องการของเ้าก็เหมือนเราตามใจเด็กเด็กคนนั้นก็ไม่เป็นผู้ใหญ่ทันทีเราก็ต้องบูแลาเขาตลอดอแต่จิตใจของเรานะ ใหม่ๆที่มันฝึกน่ะมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างนะเพราะว่ามันมันต้องบางอย่างก็ต้องฝืนบางอย่างก็ต้องทนนะบางอย่างก็ต้องเจออุปสรรคบ้างนะเนะช่นความงว่วงแบบนี้นนะ <c oughs> งว่วงไหมบางทีไม่มีอย่างอื่นทํ า, ทานะเดินแต่จงกลมนั่นนงแต่ยกมือนะมันไม่เหมือนชีวิตเราที่ผ่านมาเนาะ เดี๋ยวก็ดูทีวีเดี๋ยวก็ฟังวิทยุเดี๋ยวก็อ่านหนังสือเดี๋ยวก็ไปคุยกับคนนั้นคนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยจิตมันก็เลยรู้สึกตื่นแต่มันไม่ใช่ตื่นแบบตื่นแบบมีสตินะแต่มันตื่นเพราะว่าเราเราหาสิ่งทำไปเรื่อยแต่พอมาปฏิบัติทำมันไม่มีอะไรทานอกจากดูตัวเองเฉยมันก็เลยเหมือนมันไม่มีสิ่งภายนอ ก, ม, นกอมากระตุ้นมาก แต่มันก็ดีในแง่ว่าทําให้เราได้เห็นตัวเราชัดขึ้นนะการเห็นตัวเองชัดขึ้นแต่ยังอย่างที่บอกบางทีนก็มีมีอุปสรรคบ้างนั่นแหละนะแต่การปฏิบัติธรรคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไรนะไม่ใช่ขับไสมันนะเช่นมันม่วงขึ้นมาเนะี่ยเราจะอยู่กับความม่วงอย่างไร <c oughs> โดยที่เรามีม่วเนะี่ย ตอนที่เราพ้นจากควา ม, มง่วงใช่ไหมคล้ายๆนกับเราจมน้ำอนะ่ะหรือบ้านเราเมื่อีเท่าไหร่สามสี่ปีก่อนนะ่ะน้ำท่วมเนะีเราห้ามน้ําท่วมไม่ได้นะถ้าเราจะอยู่กับน้ําท่วมอย่างไรใช่ไหมเราจะอยู่เหนือมันอย่างไรนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทานะแต่แล้วเราคิดไปแต่ว่าทําไมมันต้องท่วมเนะี่ยเราทุกนะแต่เราถ้าเราเสร็จคิดเราเรา จ, ราจทาคือเราจะอยู่เหนือมันอย่างไร ความง่วงก็เหมือนกันนะมันก็เกิดขึ้นจริงแต่เราคิดแต่ว่าไม่อยากให้มันเกิดอยากให้มันหายเนะี่ยเราจะทุกข์มากแต่เราจะถึง ท, ที่เราทาคือเราจะยู่มันอย่างไรให้มันลอยคขอขึ้นมาเหนือมันนะอันนี้คืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างหรือบางทีก็เราปฏิบัติธรรมเนาะบางทบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วใจมันต้องสงบอืม มันต้องไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าเราเข้าใจใจจริงๆนะแต่ราห้ามไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้มันจะคิดก็คิดของมันเองมันจะหยุดคิดก็หยุดของมันเองนะมันจะเกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของมันเองแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีการฝึกว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรเนาะเอเราจะอยู่กับมันอย่างไร โรยที่ใจไม่ทุกเนาะนมันเราจะเห็นเลยว่ามันอาจจะมีความคิดเกิดขึ้นนะหลายอย่างนะแต่ใจเราก็จะไม่ทุ่มกำังแบบนี้เนาะนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนเดี๋ยวถ้าเราได้ปฏิบัติเราก็จะค่อยเห็นเนาะค่อยเห็นค่อยๆเรีนยนรู้ไปเนาะปฏิบัตทิทรรมันก็มันไม่ใช่จค่ฟังแล้วเข้าใจทะลุไปเลยนะ มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์โยนการปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่ปัญญาจากการที่เราเราจําเอาหรือว่าเราคิดเอาเนาะเมื่อเรากินอาหารน่ะเราเห็นอาหารนะที่ขายอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่ากรสชาติเป็แบบไหนหรือบางอย่างเราอาจจะเคยกินแล้วนะแต่ก็เดี๋ีคิดว่าที่เคยกินกับที่กินวันนี้บางทีแม่กลัวจะทํา แตกต่างกันก็ได้นะหรืออาหารบางอย่างเราที่ไม่เคยกินเลยนะเราบอกว่าหวานเ น, นะคําพูดเรียกมีคนขายคน ท, ที่กินเขาบอกว่าหวานแต่หวานของเขาก็เป็นแบบไหนเนี <c oughs> ่ยเข้าใจไหมมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนที่เราได้สัมผัสเองเนาะนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราเด็ดคิดเอามันไม่ได้หรอกเราต้องทำหรอกมี มีโยมคนหนึ่งนะเคยบวดอยู่ที่วัดมาถามกันมานะอาจารย์นิพพานมันแบบไหน่อมาก็ก็ไม่ตอบนะถกาถามไปว่าโยมเคยไปสวัสมิ์ไหมบอกไม่เคยเออนั่นแหละไม่เคยแล้วจะให้ก็จะให้เราที่บายมันจะเห็นภาพเหรอมัน คือเมื่อยังไม่เคยไปนะแต่อยากจะรู้สบาบเป็นแบบไหนนิพพานเป็นแบบไหนมาพูดกันแทวตายก็พูดไม่ได้หรอกับแต่การบริวติอ่ะมันจะทำให้เราได้ไปสัมผัสกับสภาวะตรงนั้นเนาะแล้วคราวนี้ถ้าเราเข้าใจสภาวะแล้วมันจะไม่ไม่ไม่มีคํามสงสัยนะมันจะได้คำตอบวยตัวของเราเองนั่นเองคือ คือการปฏิบัติธรรมนะก็ค่อยๆศึกษาไปเราจะได้คําตอบเรื่องของชีวิตเรื่องของบุญเรื่องของบาเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกนะเรื่องความสุขใจเรื่องความทุกข์ใจเรื่องความไม่ทุกนะคือนิพพานเป็นแบบไหนเนี่ยเราอยเราก็จะเห็นเรื่องของเราเอง น, นะนะก็เนะ ข, า, ขาพูดให้ฟามไว้ก่อนเดี๋ยวเขจะได้พาเกันปฏิบัตินนะ